ทำเราที่อยู่ที่นี่มีครบบริจัทธิ์สีทุกสุนนี้วาสุกวาชิกาแล้วเราก็ได้พ่อองการสาธยายพระสูตร ว่าออกมาจากจิตใจออกมาจากวาจาของเราพอมทังนั่งกว่านมมือถ้าหอบน้อมยอมรับเพื่อฟังก็ <c oughs> พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้ น, นแล้วในโลกนี้ ร่วมทำคมธรรมคำสอนอันเป็นไปในทางออกจากทุกข์็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปัินิพานสุดหมายปลายทางเป็นไปแล้วพากเราเมื่อได้ฟังเช่นนี้เราก็ได้รู้ได้เห็น ทั้รูท้ทั้งได้เห็นจิตที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นจากคนอื่นและตัวเราเกิดจากตัวเราก็เหมือนคนอื่นเกิดจากคนอื่นก็เหมือนกับตัวเรารูปนี่มันก็เป็นอย่างไรมีอะไรเหมือนกันหมดทำอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว พระ อ, องค์ก็ชี่ไปในทางที่ทำให้เกิดมาเกิดผลก็ อ, อุทิศตามคำสอนพระเจ้าปฏิบัติตามพระ อ, องค์ทำที่ปฏิบัติตามก็ทำได้มีผู้ทำได้ <c oughs> มีพระอรหันเกิดขึ้นมีพระอายาิบุคคลเกิดขึ้นตามลำดับเมื่อปฏิบัติตามธรรมมีพระโสดาบันพระจิตาคามีพระนาคามีถึงพันพระอระหนัน <c> ต <oughs> <c oughs> ์ก็ได้เป็นมาแล้ว มีหลักฐานว่าพระโสดาบันแค่ไหนเพียงไรคุณธรรมอย่างไรก็บอกทำที่เป็นพระโสดาบันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวเราทุกคนทำที่เป็นพระสกิทาคามีอยู่ที่ใดอยู่ในตัวเราทุกคน ตอนที่เป็นพระอนาคามีอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวเราทุกคนสอดถึงทำที่ทําให้เป็นพระร้อานก็อยู่ในตัวเราดีเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ให้ผลได้เราบ่งบอก <c oughs> เป็นความจริงจงนนี่เมื่อเราได้ฟังจะทําอย่างไรได้พูดตรงนี้ ข้อหัวสรออกคู่ขั ว, ขวไม่มีการกระทำให้เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นภาษานกแก้วนกขนทองที่มีเสียงพูดเสียงจาแล้วจึงมีการกระทำเกิดขึ้นการกระทำที่จะต้องทำทำอย่างไรชัดเจนแล้ว พระเจาก็สอนไปแล้วมีรอยก็มีสติบาในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเพีบขยันมีภาวนาขยันรูก้ก็ทำได้มีวัสถุอุปกรณ์มาผิดควมรู้จากตัวขึ้นมา ก็ทำได้ทุกคนเหมือนกันหมดในพิชากรรมฐานที่พระเจ้าทรงแสดงนะได้ผลมาแล้วมีอยู่ในตัวเรานี่เรามีสิทธิเทียบเท่ากัน เมื่อมีผิดก็มีสิทธิไม่ผิดเมื่อมีทุกก็มีสิทธิไม่ทุกทําไมถึงปล่อยปลี่ยงทิ้งไปในเรื่องที่ไปดีแล้วก็ต้องมันมีกําลังใจขึ้นมามีความเพียรขึ้นมามีการกระทําขึ้นมาไม่โทษโถย เราก็มีเพื่อนมีมิตรไม่ใช่อยู่คนเดียวมีผู้แวดลอด้อมดีมีมิตรดีเจงางดีมีเพื่อนดีอยู่กันเป็นหมู่ได้เอาเป็นเดียงย่างเป็นแบบอย่างึ่งกันละกัน ก็มีน้ำใจที่จะดูแลการช่วยเหลือการตามหน้าที่ที่รสองนอกรู้หนึ่งช่วยกันไปอย่าไปกันทิ้งสร้างชีวิตรอมให้เป็นการปฏิบัติยิ่งกับพวกเราก็เสริม จิกรรมขึ้นมาให้เป็นภาคปฏิบัติเข้ม40วันเพื่อที่จะได้มองตนเองว่า40วันเข้มอย่างไรให้ใช้สติของตัวเองให้เต็มที่จะทำอะไรที่มันจะทำให้มีสติในหลักภาวนา สามวิชากรรมาฐานที่มีแล้วในตัวเรานี่วิธีทำมาก็สําอย่างนี้ก็สําเร็จเป็นมีเพื่ธรรมชั้นใดชั้นหนึ่งขึ้นมาต่วงพ้นภาวะเก่าขึ้นมาแล้วก็ต้องมีความเพียรพยายามในเรื่องนี้ ให้พิเศษเท่าไหร่ก็ทำได้แล้วก็จะรู้ได้เห็นได้เช่นมีสติปเป็นในกายอยู่เป็นประจําล้วก็ทําได้รู้ได้เป็นประจํากายอยู่ที่ตัวเรานี่สติก็อยู่ที่นี่ มีอะไรเกิดขึ้นที่ไม่ใช่สติก็อยู่ที่นี่แล้วก็สามารถที่จะให้มีสติได้ที่นี่ขณะเดียวกันนั่นเรียกว่ากรรมฐานที่ตั้งของการกระทําัจจุบันนาก็คือขยนันรู้เมื่อขยนันรู้ก็ได้ความรู้เมื่อมีความรู้ก็ได้ใช้ความรู้จากตัว จะใช่ความรู้ที่ให้เป็นความรู้ในสิ่งที่ไม่รู้ที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนี่ให้เป็นความรู้สุกตัวทั้งหมดแล้วก็ใช้ได้ทั้งหมดเป็นความถูกต้องทั้งหมดจึงไหนที่เกิดขึ้นที่ไม่ใช่ความรู้เกิดขึ้นจากกายจากใจเรานี่ให้เราใช่อย่างนี้ภาษาปฏิบัติเลยว่าตามพุทธเจ้าสอน มีความเปลี่ยนเครื่องเขาจิเล็ดมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกเสือได้ว่าอย่างนี้อะไรที่มันเกิดพอใจไม่พอใจเราก็เห็นถ้ามีสติมันก็เห็นได้เห็นแล้วก็ไม่เป็นก็พ้นจากรวาลทเห็นนั่นที่มันเป็นนั่นพ้นแล้วพ้นเล่าพ้นแล้วพนเล่า มาเรื่อเป็นดีมาผิดเป็นถูกข้างแล้วข้างเล่ า, เลนลวว า, านี่เรว่ากรรมฐานที่การกระทาไม่ได้ปล่อยทิ้งแต่ก่อนเราปล่อยทิ้งหลงก็ปล่อยทิ้งทุกข์ก็ปล่อยทิ้งโกรธก็ปล่อยทิ้งดีใจเสียใ จ, ใ จ, ใ จ, ใจปล่อยทิ้งจะเป็นห อ, อกข้างแท้กลายเป็นเลยต้นหาลาค่ะ เป็นความโลภความโกรธความโงเป็นอกุศลธรรมเพราะมัมช่วยจิตใจของเราจนหูาความดีไม่ได้อะไรเกิดขึ้นกับพอใจอะไรไม่อะไรเกิดขึ้นกับไม่พอใจแสดงว่ามีทุนทุนที่ไม่ดีมีเหตุที่ไม่ดีก็ลบไม่ดี ตั้งไม่ดีก็รับไปดีจงหัดตนสอนตอนถ้ามีความหลงก็นั่นแหละงานของเราถ้ามีความทุกข์ก็นั่นแหละงานของเราถ้ามีความโกรธท้องโลกความหลงความรักความชังความดีใจเสียใจนั่นแหละงานของเรางานอยาน่างนี้ทำมันก็สําเร็จได้เป็นตหรับเหมือนพระโสราวันก็ทำ ละอะไรได้เได้เป็นสังโยชน์สามอยู่ที่ไหนสังโยชน์สามก็คืออยู่ที่ตัวเรานี่อะไรคือสังโยชน์สามก็คือสักกายทิฏฐิเอากายมาเป็นตัวเป็นตนเอากายมาเป็นตัวเป็นตน อะไรที่เกิดกับกาามาเป็นตัวเป็นตนนั่นเรียกว่าสกฤติติะสโสดาบันทะ mm hmm. ได้ไม่ใช่ตัวใช่ตนตามลำบับของวิญญากรรมฐานของอารมณ์กรรมฐานกรรมฐานที่เราทํานี่จะเห็นเรื่องนี้เห็นกายเห็นเป็นรูปอาการที่เกิดกับรูปไม่ใช่ตัวใช่ตน พาะศาธีสอนในพระเจ้าสอนก็สักต่พระแต่แล้วที่มันเกี่ยวกับรูปที่เกิดขึ้นมาร้อยายอย่างที่เราอมาเป็นตัวเป็นตเนตเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเายนี่เราเห็ น, นหลุดพ้นั้งหมดมากมาย ผู้ฝึกกรรมฐานจะได้เห็นมันบอกทรมทศความเพียงแค่ไหนเพียงไรสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเราเนี่ยเราก็เกี่ยวข้องกับแช่ไหนเพียงไรอย่างถูกต้องได้พบได้เห็นในสิงที่มันทําให้เราได้แก้ไขให้เปลี่ยนลาให้เป็นดี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 บอกโคงสร้างอย่างนี้พุทธเจ้าแสดงว่าอย่างนี้เราเมื่อเราบำาปฏิบัติก็ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ที่เกี่ยวกับกายกับรูปนี่นี่ละได้เด็ดขาด <c oughs> ไม่ออกมาเป็นตัวเป็นตนเด็ดขาดได้สติปัญญาได้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไป ก็ท<บ> <PTSD> ี่สองก็สกจจจิตติก็ที่2วิจิจิชาข้อที่1นึสกจจจิตติ้อที่2วิจิจฉชาที่สงสัยความสงสัยแม้แต่ความหลงความรู้ก็ยังมีตัดทินใจไม่ได้ให้ความหลงเป็นความหลงให้ความทุกข์เป็นความทุกข์ให้ความโกรธเป็นความโกรธ ต้ทนที่น่าจะตัดถึงใจได้ไม่ ห, หลังเลสงสัยเรื่องนี้ความบไม ก, ามกไม่ถูกต้องความทุกข์ไม่ถูกต้องความโกรธไม่ถูกต้องตัดถิงใจไม่เป็นในความโกรธนอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามคืนนึกว่าตัวว่าตนประจาไม่ขี้ขาด ถ้ามีพื้นฐานเห็นสักยาิทิฏิแล้วก็พลังของปัญญาที่เห็นกายตามความจริงก็สามารถจะก้าวไปสู่วิวจิจิชาได้ง่ายๆ <c oughs> ไม่สังเลยสงสยัยริงที่ใดที่มันเกิดขึ้นกับกายก็ผิดใจ มาเป็นตัวเป็นตนไม่สงสัยเลยควมหล ง, ลงไม่ถูกต้องตัดสินใจเด็ดขาดขยันตรงนี้ภาวนาขยันตรงนี้สักพอกตรงนี้ได้ความสอาดบริสุทธิ์ตัดสินใจแน่นอนไม่ถูกต้องความไม่หลงถูกต้องนี่ไม่มีความสงสัยเล ไม่ปล่อยทิ้งมาทีไดก็เป็นงานเป็นการได้ทำสิ่งที่มันผิดให้เป็นความถูกมันก็เป็นงานชอบขึ้นมาเกิดความขยันขึ้นมาเ ป, นเป็นก่อเป็นกรรมขึ้นมาวโรธีสองว่าศีละบัตาปรมาตก็คือหยุดมันถือมันในชิลพจน์ในพธิธีในรูปแบบ คิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะมาช่วยเราไม่ใช่กรรมฐานจริงๆ น, น, นั่นไม่ถือแบบนั้นถือว่าเกตต่างๆเกิดขึ้นที่การกระทำนี่ตัดได้เด็ดขาดสีรับตาพระามาัดเชื่อมั่นในการกระทำาการกระทำเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาล่าก็จะต้องเป็นดีเสมอไม่ใช่เป็น อะไรที่มาบัอะไรที่เกิดขึ้นมาทำให้เราเกิดอะไรต่างๆเราเชื่อแบบนั้นเชื่อการกระทำลบไยก็มีการกระทำจริงๆมีกายมีวาจามี จ, จิตใจจิตใจก็ทำให้มันได้คิดดีวาจาก็พูดดีกายก็ทำดี ห้านิ้วสิบนิ้วอามาทำดีว่าจะอามาพูดดีใจอามาคิดแต่ดีคิดแล้วทำดีพูดแล้วทำดีเป็นสิ่งที่สำเร็จประโยชน์ไม่มีสีปตาปรมาดในหลังเอสงสัยไม่ใช่จริงกันจะมาทำให้เราเป็นพิษเป็นภยัยเชื่อมั่น น, นี่เป็นคุณธรรมของพระโสดาบันเบื้องต้น ถ้าทำลาสามอย่างนี่สัญญอดสามอย่างนี่ลงได้แล้วก็เบาลงน้หนักร0 0ยกิโลจะเบาลงเกือบจะสามสี่สิบกิโลเป็นั้นทำให้การหลดล่วงหลดพ้นไปได้ล่วงพ้นจริงเข่ากให้พ้นไปได้ถ้าเราปฏิบัติธรรมก็เป็นเช่นนั้น กูเข้าช่วิปัจนาะฝึกวิปัจนากรรมฐานตามรูปแบบของพระย้าที่สอนไวเน้เยโดยเฉพาะวิธีที่เราสอนกันปฏิบัติอยู่นี่อยู่ในแบบของวิปัจนาล่วนๆให้มันเร็วไวเราะว่าที่ลูนเน่เลย อะไรมาก็รู้อะไรมาก็รู้หนึ่งให้เข้าถึงภาวะที่รู้หรือว่าเจริญวิปัสสนาล้วนเป็นสุขวิปัสสกโกเป็นผู้หลุดพ้นจากการเจริญวิปัสสนาล้วนล้วนไม่ใช่ไปใช่มันสมองหาเหตุหาผลไปอ่านตำบับตำลาเปรียบเทียบแปลเป็นภาษาได้ความผิดความถูกจากเหตุจา ก, จากปัจจัยหลายอยา่างเออ เอามาตีความเอามากระทาลงไป น, นั้นเป็นพระลหันก็มีบลหันแบบนั่นก็มีแต่นี่เราเหมาะเจชีวิตทุกชีวิตสุขวิปัสสโกเจริญวิปัสสารุนล้ว น, วนเนี่ยอะไรเกิดขึ้นมากับกากับใจ ก, ก็รู้สึบตัวเนี่ย ใ น, นความกจากตัวที่เป็นตัวเฉลยใหญ่ที่สุดที่เราก็ทำอย่างนี้ทำไมมันจะไม่ล่วงพ้นได้สักยทิทิพอเราทำอย่านี้ก็มันก็ไปแล้วไปทางนั้นแล้วส่างกายว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตรงโลเขา เนาก็สักว่าเวทนาพระแทษฎฐ์กปกติ ต, รตรัวตนเราเขา เ, เห็นชีตเห็นธรรมแต่แท้เกิดติทิกาที่ใจนี้ไม่ใช่เป็นคําพูดอันเป็นคําพูดสักแต่ว่าสักแต่ว่าเป็นแผนที่แต่การกระทําคือเราทําอยู่นี่มันรันเกิดไหลขึ้นมากลุ่มสักตัวอยู่นี่ลู่สักตัวอยู่นี่มันก็คือทำลาย ทั้งหมดแล้วรวมรู้จากตัวเป็นตัว n อนีตัวใหญ่นั้นกับผู้เมื่อวานเลยว่านั่นหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงนี่ะเป็นใตศสิกขากรรมจัตเจตรวมเห็นเหมือนหลงคือสีนไม่เป็นผู้หลงคือสมาธิ ก้นจากคมหลงคือปัญญาอยู่ในวงของใจสึกขาหลงที่ได้ชาที่นั่นทุกข์เจอชาที่ตรง น, นั้นศึกษาศึกข า, กาท้าหลงแล้วต้หลงที่มาได้เป็นดีได้เนื้อได้ประโยชน์มันหลงยังไมไ่ยึงได้ความไม่หลงมันทุกข์ยังได้ความไม่ทุกข์นี่ใจสึกขา นสิ้นเป็นสมาธิเป็นปัญญาถุนกําจัดจิเล็สมาธิกําจัดจิเล็ปัญญากําจัดจิเล็คือเหตุชนีที่ทำอย่างนี้ไม่ใช่เราบุกบื น, นทาถูกทามันบอกเอาทำมันบอ ก, อบอกให้เกิดความสะดวกไม่ใชยุ่งยาก เหมือ น, นกับรถเดินทางที่มีป้ายจราจรถนอนวิตีภาพถนอนไฮเวผาเปทูเวทเวมีป้ายปัดมีป้าย จ, จราจรทบท่วนว่ามันบอกตรงไหนอย่างไร ให้เกิดความปลอดภัยผู้ขับรถก็ปฏิบัติตามตัวหนังสือมันช่วยเราไปได้มันอยู่ที่เราการบอกว่าผิดว่าถูกมันช่วยม่ได้แล้วมันอยู่ที่เราเมื่อมีการปฏิบัติมันจะได้สัมผัสจริงๆมา่อไคิดหะมันหลงก็เห็นความหลงจริง มันมีความรู้เป็นเจ้าเลือนอยู่แล้วเป็นเจ้าทินอยู่แล้วเกี่ยวกับความหลงอย่างารมันก็ไม่ปล่อยทิ้งถ้ามีสติไม่ปล่อยความหลงให้มันทิ้งไปโดยไม่ทำอะไรกับมันเหมือนแขกมาบ้านเจ้าทินต้องเกี่ยวกับคนที่แขกที่มาบ้านอย่างางมีสติเป็นเจ้าของบ้านที่เสมอ จะล่วงล้ำไปที่ไหนที่ไหนก็ไม่ให้ไปลหลังด้เจ้าของบ้านมีสติเป็นเจ้าของกามีสติเป็นเจ้าของจิตใจมีสติเต็มที่ถ้ามีสติแล้วก็รู้ก็เป็นสิ้เป็นสมายที่เป็นปัญญาเกิดขึ้นก็ผู้ปฏิบัติ มีสินมีสมาธิปัญญาเห็นไม่เป็นหลุดพ้นจากภาวะที่เป็นแล้วก็ชนานาญเป็นสุนขันสมาธิขันปัญญาที่ขันสุนอันยิ่งสมาธิอันยิ่งปัญญายิ่งอันนี้ทรงของศินที่มันเป็นศินอันยิ่งสมาธิอันยิ่งมันก็ ก็เรียบราบผู้ปฏิบัติย่อมสม บ, บัติเองสะดวกเหมือนในอารมณ์ ก, ก, กวามวมฐานก็ความสะดวกเมื่อมีความสะดวกความสะดวกก็ช่วยเราไม่หลงเด็ดขาดไม่ทุกเด็ดขาดเด็ดขาดแต่ก่อนค่องแม่อยู่ ทำไมทำไม่อาผิดเอาถูกกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกากับใจยังมีทำไมไปหน้าจเป็นอย่างนั้นทำไมจะเป็นอย่างนี้แสดงออกมาจนหน้าบูดบึง้งาาบรกมันสะดวกเป็นสิน่งอันยิ่งสมาธิอยิงย่งมันไม่มีอะไรที่จะกูตะขักมันราบเรียบ บางทีพูดใน้ฟังว่างมันมีความยิ้มยิ้มไม่มีคามามมาาําว่าทํามัมีแต่เบาเบาลู่แล้วลู่แล้วลู่แล้วบางที่รููแล้วกับความชํานาญเป็นศินละปะเป็นศาสตร์มาถ้าพูดถึงปริญญาก็ยอตะปริญญาชนานาลู่แล้วนี่คือย่อแตะปริญญาจึงได้ที่เกิดเกี่ยวกับกากับใจลู่แล้วลู่แล้วลู่แล้ว นี่คือปริญญาของกรรมฐานอาะไรที่เกิดขึ้นนะถ้าว่ารู้แล้วมันก็แจกแจงแล้วห้วยกับใช่ไหนเพียงไรเรื่งที่เกิดขึ้นกับกายกาเกี่ยวข้องกับใช่ไหนเพียงไรแจกแจงแล้ว เรียว่ายาติอคละปัญญาสหกะแยงทำให้หมดไปแล้วเรียว่าปหานะปัญญาหมดไปแล้วพ้นไปแล้วศินเป็นอย่างนี้ลักษณะของชินไม่ใช่ชินแบบรูปลุกคำๆแต่ชินไม้ช่วยสมาธิมาช่วยปัญญามาช่วยละสะสักษณะชินก็คือมีสตินี่แหละ ฉิ่นฉิบหาคือมีสติจะเลื่อนสตินี่เลยคือฉิ่น้องพาร์ไดเลยจะเป็นสีเหล่โชคจริงยันตินี่ตัวนี่เลยคือมีสตินี่เลยเป็นตัวที่เกิดฉิ่ขึ้นมาจะบริสุทธ์หมดจดจากเครื่องสมองมีความโกรธรูปหลงเป็นตุน้นก็คือตัวนี้คือหลักปฏิบัตินี้ เนืองว่าสะดวกถ้าเป็นความปวดพ้นแปะหลานก็เป็นสุกาวิปัสสโกผู้เจริญวิปัสสนาล่วนๆถือจุดหมายปลายทานแล้วก็ทบทวนขึ้นมาแตกขานได้แตกฉานได้ไปถึงที่จุดหมายปลายทานแล้วก็ต้องรู้จักสิ่งที่ผ่านไป เมื Eternal, flavor, pour pour eux, où où ่อจะสอนก็เดินเหยาะพาดก็เดินไปก่อนลูกผ่านอะไตรงไหนลูกแยกไปตรงไหนก็ลูกไม่ให้ผิดในพาต่างไม่ใช่คิดดุนคิดเดมามาคิดหาเหตุผลจำใครมาสอนเอาความเทดกรมจริงที่เกิดกับายกับใจนี่มาสอนกันทุกคนที่ปฏิบัติก็มีกายมีใจมีสามลักษณะเหมือนกัน ไม่ใช่คนลอยยองความหลงก็เหมือนกันความโกรธความหวังเกันความทุกข์ความหวังเกันกิต劣ตัณหาก็เหมือนกันแล้วมันเจีงในฐานเบื้องต้นเป็นพระโสดาบันก้าวไปสู่พระสติขค า, คามีต่อสังโยนที่สองกามลคา้าปฏิคะมานาทิฏฐิเมื่อก็อนง่า ง่ายเพราะฉนั้นมันเป็นนิดสัยมันเป็นแหล่งไหลของสมัมาชากง่ายมันบอกความผิดความถูกตอนมันมีพลังพอเอาเหมือนข้นขึ้นบันไดรอยขั้นผันขั้น ผู้มีกำลังขึ้นได้ง่ายผู้ไม่มีกาลังก็ค่อยๆขึ้นางแต่่อขึ้นได้หมดบรรได์อันเดียวกันขึ้นได้หมดแต่ผู้มีกำลังมากขึ้นได้รวดเร็วหัควคนกำลังน้อยกำลังของความเพียรกำลังของชำนาญในความไม่สติบรรเชินเป็นสมาธิเป็นปัญญา จะเป็นส่วนอันยิ่งมาที่อันยิ่งหรือว่ากำลังมากทำให้เกิดมากเกิกวดได้งา่าอยู่ที่การกระทาของเรานี่ก็หลงที่ได้รู้ใ้ทุกครั้งที่เหมือนหลงตรง ก, กับความรู้พอดีพอดีกรรมาฐานนี่ทำถูกทำตรงปฏิบัติตรง ปฏิบัติดีปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติสมควรจนเป็นสถาบันปฏิบัติดีเป็นสถาบันปฏิบัติตรงเป็นสถาบันปฏิบัติออกจากทุกเป็นสถาบันปฏิบัติสม่ำเสมอสามารออยู่กับความปกติได้ทุกเวลานี่คือสถาบันปฏิบัติสมควรคือแบบนี้ไม่ใช่กูกิเกา สามารถอยู่กับความปกติได้เราจะเป็นบุคคลที่มีปกติอยู่ตลอดได้มีเด็ดขาดกัตัวเงบ้างเราจะสามารถอยู่กับความปกติได้ทุกโอกาสตอบไดเลยปฏิบัติตัวลงไปเลยนี่สถาบันให้พูดคนเดียวไม่เป็นส่วนตัวส่วนตัว สถาบันนีอาชีพสถาบันเป็นวัตถุจริงของวัตถุจริงของคือกายคือใจนี่เป็วัตถุแต่มันเป็นรูปธรรมนามธรรมเราก็เห็นมันอยู่ในกํา ม, มือของเราเองความเกิดความเจ็ความเจ็บความตายคืออะไรเกี่ยวกับบัญชีไหนเพียงลย่ละนั่นมี เกิดพันจึงมีไม่เกิดมันมีเกดจึงมีไม่เกดมันมีเก็บจึงมีไม่เก็บ ม, ม, ม, ม, มันมีตาจึงมีไม่ตาไม่ใช่เราจะจนแต่ถ้าไม่ปรึกไว้วก็จะเป็นหมาชนเกาะก็จะสู้ได้เช่นหมาชนเกาะหมาผุ้งหมาหมูไล่กัดนั่นบิ้งเปไหแล้วก็สู้แล้วกั น, ก น, กน นี้ไม่พ้นเราก็สู้ถ้ถ้าหากว่าได้มีกระแสอีสักหน่อยหนึ่งอาจจะมีทางพบได้ถ้าไม่มีกระแสสักหน่อยอาจจะมืดมนไปเลยจนโตควอมแข็ยความเจ็บความตายหายพวกความตายเจ็บพวกความเจ็บทังท่านี้มีอยู่ตรงหน้าเรานี่ย ม น, นเกิดจากอันไลน์เรื่อโทนจากเปลี่ยนล้ายเป็นดีนี่เลยเกิดอะไรขึ้นมากายเวทนาจิตธรรมลื่ไปตั้งแต่นี้แล็นกายสภาวกายเห็นเวทนาสัาเวทนาเห็นจิตฉพาะจิตเห็นธรรมฉพาวะธรรมลื่ไปแล้วลื่นไปแล้ว ถ้าเราปฏิบัติเนี่ยยิ่งมีอารมณ์กรรมฐานเห็นรูเปเห็นนามเห็นไตรลักษณ์ที่เกิดกับรูปภมนามตามความเป็นจริงจามมลลักษณะเสมอกันหมดมันชนูดีปฏิบัติทำแต่บางทีเราก็ติดขัดตัวเองบ้าง แม้ยังไม่มีทำก็เด็ดขาดไว้บ้างเคยเด็ดขาดกับตัวเองตั้งแต่นี้ตักงแออกจากบ้านทิ้งลูกทิ้งเมียมาปัดคิดในใจคนเดียวถ้าหนีจากเมียมบวลหวดก็จะบวดก็จะไม่สึก จะไม่มีเมียอีกจะไม่เมียคนเดียวตนเอทิ้งลูกมาจะไม่เป็นพ่อใครอีกจะเป็นพ่อของคนคนเดียวตนเนมันก็เด็ดขาดแบบนี้ใช่ไหม <c oughs> นี่จากเมียทิ้งเมียมาบวชจะเป็นผัวคนอื่นดีงไม่เด็ดขาดจะเป็นทิ้งลูกมาจะเป็นพ่อคนอื่นดี ร่มเร็วคิดคิ ด, ค, ดคิดเฉพาะส่วนตัวนะพึ่งมาพูดตอนนี้นะขอไฟนะไม่เคยพูดที่นี่คือเดนะ็ดขาดนชหน่อยนะไอ้มีอะไรเด็ดขาดช่าหน่อยเป็นทุนชักหน่อยอย่าอ่อนเดือทุาบฟังโอ้ยไม่ไหวโอ้ยไม่ไหวทำไม่ได้เดดต์ตั้สามารถตั้งหงลูกของหลานห่วงอะไรไม่ใช่ห่วงแบบ คิดถึงห่วงอยู่ไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ได้ทิ้ง้นขาดยากขาดมิดไปไดทิ้งแบบนั้นยิ่งรับผิดชอบอ๋อขอไฟกลับไปบ้านนางเมียมาหาล่องให้ลองใ ห, งให้ทำไมจังล่องให้เมื่มันรัากให้แล้วก็ดีแล้วนะที่ สามีเป็นพระนี่มันดีแล้วน่าจะดีใจทำไมร้องให้มันอยากให้มันอยากลองมันงสามีเป็นพระมันดีแล้วแล้วก็ดูจริงๆไม่ทอดไม่ทิ้งเก็บให้ได้ป่วยดูเลยช่วยเหลือตามฐามนะ เราเชื่อมอะไรก็มีลูกให้ลูกไปช่วยล้วบอกให้ดูเลยแล้วเขาไม่ลำมากไม่ได้ทิ้งแบบตัดาอดขาดแบบนั้นนะทิ้งเอาเทมาคิดห่วงคิดหวงหัวนี่ยแต่ไม่ทำาะไรที่เป็นความดี น, นั้นไม่มีประโยชน์เราวางไว้แต่เราช่วยก็ช่วยอยู่ มัะก็สมองสมืออย่างนี้ทุกชีวิตที่อยู่รวมกันมันก็ช่วยกันเหมือนกันหมดทรรมพาไปเดือือกันหมดให้สุติให้ความเมตตาให้ความบัเท่าเทียงกันหมดนี่คือไอ้สงการปฏิบัติธรรม เมื่อมันเห็นความไม่เท็นั่นเห็นความไม่ดีค ว, มมดความเท็จเกิดขึ้นกับกว่ากับใจเห็นความจริงที่เกิดขึ้นใน บ, บาดใจมันเกิดลักคนอื่นสงสอนคนอื่นเห็นยากคนอื่นร้อยมีชีวิตบอดกองเท็จความจริงจากคนอื่นบลอยไม่ได้ต้องขาดหัวอกมันจะแตก เห็นคนร้องไห้เห็นคนเป็นทุกข์อยากจะช่วยเหลือบางทาีเห็นรถชนก่อทอนโอ้เด๋วนี้มีปัญหามากแต่หัวใจนี่คือสงสารคนเห็นรถชนนั่งรถหางใดรถชากลงไปดูอยากลงไปช่วยบทีเห็นคนนอนอยู่อยากลงไปโจมไปจับไปช่วยเหลือ ไม่เบื่อหน่ายเคยลุยเลือดเจ็บศพอยู่ที่นี่หลายศพนะแมนบอกไม่เพีง้งลุยเลือดเขาฆ่ากันตายสงสารไปเจ็บศพอยู่ในห้องเขาฆ่าตายก็กูบ้านกรูง้อน่ข้าคูฆ่าเมียฆ่าลูกตายเลือดเต็มห้องหมดไปลุยเลือดเข้าไป เมื่อตำรวจมาตรวจแล้วเราก็เข้าไปเก็บเอาจีบอลออกลรรุยเลือดเข้าไปให้ชาวบ้านเอาน้าส่งให้หน้าท่าตานแล้วก็ล่างตย ล, ล่างล่างน้นล่างนี่เลือดไหลออกจาห้องหมดล่างสะาดแล้วชาวบ้านมางกวินเลือดอัเขียนเราก็เป็นเหมือนกันแต่เรา ไม่ได้แสดงความมาอไนะไรเมาเชิดเราเรียกชื่บว่าเข้าไปเชิดศพเราไปเผาศีรบอยู่ฝังลำปะเทาวนี่ก็ลุยเลือดครับไปข้าคนตาย หลายคัง้งก็ลุยเลือดเข้าไปยิงกันตายฝังลำตา ว, า ว, า ว, า ว, าวา่านะู่นท้าหัวชะปานแล้วก็ลุยข้ามลํำชาปนตายหรือยังตายยังยังไม่ตายยังไม่ตายเขาบอกว่าเขาบอกว่าไ ม, ไม่มีคนกล้าเข้าไปเขายิงกันอยู่ที่นั่นเห็นเสียงลอุกอยู่ไม่มีใครกล้าเข้าไปวันทีเรามาก็เตืมนเข้าไปตายหรอยังตายยังยังไม่ตายยังไม่ตาย <laughs> แล้วก็ช่วยกันมาหามมาฝั่งลำมาเทาแล้วก็หามจริงๆนะอ่าก็ขอให้ได้ช่วยเธอคอนเจ็บคนป่วยคนไม่ทุกข์กันเลยยินดียินดีนดอ่า้บอกสักคอาไอ้ทำใจแต่างบอกสักคอก็ยังดีถือว่าได้รับ ได้บอกแล้วจะไม่ไปปล่อยกันเพียงนะนี้ก็บอกการเด่นว่ามันหลงให้ลูกขึ้นมาอะไรขึ้นมาลูกขึ้นมาตีออมาอย่างนี้นอะไรที่มันเกิดขึ้นในปาลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาลูกขึ้นม า, นมาวันนี้วันที่เท่าไหร่นม่ฮะยี่สิบแล้วเลยเป็นวันนี้หรือเป็นวันกรรมฐานเทียมอ่า สมมติปัญญาเราเข้มจะไม่เข้มอยู่ที่ตัวเราเนี่แหละออสมควรจเวลาอาป า, าพอบรรณ